เมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนส่งภาพถ่ายจริงๆก็ไม่ใช่ภาพถ่ายมันเป็นคลิปวิดีโอมากกว่าคือหมาตัวหนึ่งเนี่ยที่ประเทศจีนมันข้ามถนนถนนก็รถเยอะมากนะคล้ายๆจะเป็นทางด่วนด้วยแล้วก็โดนรถชน ไม่ได้ชนธรรมดานะ่ะชนจนตายเลยบอกกว่าเพื่อนของมันเนี่ยก็สาเสี่ยงชีวิตไปลากไปลากร่างของเพื่อนเนี่ยจากกลางถนนลากจนกระทั่งเข้ามาตรงเป็น เป็นทุ่งหญ้านะริมถนนนะแล้วมันก็คอยเฝ้าว่าเมื่อไหร่เพื่อนจะลุกเมื่อไหร่เพื่อนจะฟื้นเฝ้าตรงนั้นเพื่อนก็ยังไม่ฟื้นมันก็พยายามเอาเท้าเนี่ยเขลียเคียคล้ายๆว่าปลุกให้ตื่นเพื่อนก็ไม่ยอมตื่น มนุษย์ไปหาอาหารมาให้นะเพื่อนก็ไม่ยอมกินแล้วมันก็เฝ้าอยู่อย่างั้นเน่ไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะมันเฝ้าเป็นวันเลยมีคนเห็นก็พยายามเข้าไปใกล้ๆมันก็เหา่านะเพื่อปกป้องเพื่อนมันไม่รั่วเพื่อนตายแล้วนะแต่มันก็เฝ้าอยู่ย่งั้นแหละ สองสามวันเลยนะคนเห็นก็สงสารนะเพราะว่ามันรักเพื่อนมากแล้วก็ก็ยังมีความหวังว่าเพื่อนจะฟื้นขึ้นมาแต่ว่าเพื่อนก็ตายไปแล้วนะท่าทางก็มีความทุกข์นะไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยนะอันนี้ก็เป็นแสดงถึงความความรักความผูกพันนะ ไล่ ย, ยกันก็มีเพื่อนส่งเป็นภาพนะเป็นภาพภาพถ่ายนกกระจอกอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะเป็นประเทศรู้สึกเป็นฝรั่งเศสรู้สึกเป็นเป็นคู่กันด้วยนกกระจอกปอกว่าจูๆตัวหนึ่งก็ตายก็นอนอยู่บนพื้นถนน เพื่อนที่เป็นคู่ของมันก็ก็มายืนอยู่ใกล้ๆเขาก็ถ่ายรูปทีละช็อตทีละช็อตนะเอาอาหารมาให้เหมือนกันแต่ว่าคู่ของมันก็ไม่ไม่เคลื่อนไหวเลยนะมันก็พยายามเรียกนะ ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็รออยู่นานก็คงจะรู้ว่าเพื่อนตายไปแล้วก็ร้องนะร้อง ก, ก็ถ่ายภาพตอนที่มันร้องปากอ้ากว้างเลยก็ไม่ได้ร้องด้วยความดีใจร้องด้วยความเสียใจก็เห็นแล้วก็สะเทือนใจนะ ก็มีคนเอาภาพนี้ไปอไปลงหนังสือพิมพ์นะในฝรั่งเศสบาก็ว่าหนังสือพิมพ์ขายดีมากนะขายหมดทั้งขายหมดแผงเลยเพราะว่าคนไม่เคยเห็นภาพความผูกพันของนกกระจอกเรื่องความผูกพันของของหมานะหรือว่าสัตว์พวกเลี้ยงลูกในนมนี่เราเคยเห็นมันแล้ว ว่ามันมีความผูกพันกันมากแต่ว่าความผูกพันระหว่างนกด้วยกันนี่ไม่ค่อยได้มีใครเห็นเท่าไหร่ต่อหลังพานนมันก็แพร่หลายไปประเทศอเมริกาประเทศออสเตรเลียยุโรปแล้วก็อินเดียด้วยอันนี้นก็ทําให้เราเห็นว่าสัตว์นี่มันก็มีอารมณ์ความรู้สึก มีความรักความผูกพันมากบางทีเรานึกว่าสาันนี่มันไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์สมัยหนึ่งเคยนึกว่าสาันนี่ไม่มีความเจ็บปวดด้วยซ้ำนะทำยังไงกับมันก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เราก็รู้ว่าสาันนี่มัมีความเจ็บปวดแล้วก็ยังมีความรู้สึกรักรู้สึกผูกพันไม่ใช่แต่สัตว์ชั้นสูงนะเช่นเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้ยนมนะ แม้แต่นกนี่มันก็มีความรู้สึกแบบนี้ด้วยวันก่อนเคยเล่าให้ฟังแล้วน ะ, ะปลาหมึกนะปลาหมึกยักษ์มันออกไข่มาครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตประมาณแสนฟองแล้วมันก็หาที่วางไข่อย่างดีเลย ก็คือในถ้าในช่องอนแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะคอยเฝ้าคอยเฝ้าไข่เอาไว้แล้วก็คอยเอาหนวดเนี่ยถูไข่ไม่ให้ตะไคร่น้ำจับแล้วก็เพื่อให้มันมีออกซิเจนมันไม่ออกไปหาอาหารเลยนะมันก็เฝ้าอย่างนั้นน่ะจนกระทั่งร่างกายผายผอมมันคอยปกป้องลูกหรือไข่ของมันเนี่ย นานหกเดือนโดยไม่กินอะไรเลยแน่นอนนะมันก็ต้องตายนะแต่ตายเพื่อให้ลูกมันได้ฟักออกมาเป็นเป็นเป็นตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องความผูกพันนะแต่มอาจารย์เราจะบอกว่ามันทําไปตามสัญชตาตญาณนะสัญชาสัญชตาตญาณของการสืบเผ่าพันธุ์แต่ว่านกหรือว่าหมานี่ที่เราที่เขาถ่ายรูปมาให้เห็นนี่แสดงว่ามันก็มีความรักความผูกพันเหมือนกัน ซึ่งมันตรงข้ามกับข่าววันนี้นะข่าววันนี้ก็ได้ก็เลยงานว่าเนี่ยพี่น้องมางานศพแม่นแม่ตายพอสวดศพเอพอพอทําพิธีเสร็จนะพี่ก็อาละวาเลยนะเอาปืนยิงน้องตายเอาปืนยิงน้องน้องตายคา ง, งานเลยนะในวัดพี่น้องกันนะแต่ว่าฆ่ากัน คงเพราะทรัพสมบัติคงเพราะเรื่องมรดกน่ะนี่มันเป็นภาพที่ตัดกันเลยนะสัตว์หมาก็ดีนกก็ดีนี่มันรักกันแต่ว่าคนเป็นพี่น้องกันกับค่ากันไอหมาสองตัวนั่นก็ไม่ใช่พี่น้องกันนะมันแค่เป็นเพื่อนกันส่วนนกกระจอันี่ก็ ไม่ใช่พี่น้องนะเป็นคู่กันนะแต่ว่าเขารักกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสัตว์เนี่ยมันแม้จะมีความผูกพันกันนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันขาดก็คือความเข้าใจนะหมานี่คงไม่เคยเจอไม่เคยเจอความตายไม่เคยเจอความพัดพลาดนะมันไม่เคยเจอความพัดพลาด ของเพื่อนแล้วมันก็คงไม่เคยรู้ว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเพื่อนตายเนี่ยมันก็เลยทำใจไม่ได้ก็คอยเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละนึกว่าหรือหวังว่าเพื่อนจะฟื้นนะเพราะมันไม่รู้จักความตาย น, นกก็เหมือนกันนะสองตัวนั้นเนี่ยก็ก็คงไม่เคยเห็นความตาย นั้นพอพอเพื่อนมันตายมันก็เลยไม่เข้าใจหรือว่าตอนหลังก็พอจะรู้แล้วว่าความตายเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าก็ทำใจไม่ได้แต่คนเรานี่คนเรามีความสามารถนะที่จะเข้าใจเรื่องนี้คือเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตจากคําสอนจากคํา พูดหรือว่าจากประสบการณ์ของตัวเองมนุษย์เราสามารถแม้กระทั่งจะมองไปข้างหน้าว่าสักวันหนึ่งตัวเองก็จะต้องตายด้วยเรามีความสามารถมองไปถึงอนาคตได้ว่าเราเองก็จะต้องตายเหมือนกับใครต่อใครมากมายอันนี้คือความได้เปรียบของมนุษย์นะสัตว์นี่มันไม่รู้จักความตายหรือว่าไม่สามารถที่จะมองไปอนาคตได้ว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะต้องตาย เพราะนั่นเวลามันผูกพันมันก็ผูกพันเต็มที่แล้วก็ยอมรับความตายไม่ได้นะแต่ละมือเรานี่เรามีความสามารถที่จะทําอย่างนั้นได้นะนั่นการที่เราได้มีสติปัญญาที่เห็นความจริงแล้วก็รู้จักความจริงของชีวิตเนี่ยมันก็เป็นข้อได้เปรียบของเรา แต่ถ้าเราไม่ใช้ความได้เปลี่ยนนี้เราก็จะหลงเราก็จะถูกครอบงำด้วยความหลงหลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคงที่คงตัวจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าความยึดติดเนี่ยความยึดติดผูกพันนี่มันก็สามารถจะทำให้เราสร้างภาพลวงขึ้นมาตามความอยากของเรา รักอะไรปลูกพันธุ์อะไรก็อยากจะให้มันคงที่คงตัวไม่แปรเปลี่ยนซึ่งมันก็สวนทางความจริงใช้สติปัญญาของเรานี่รับรู้ความจริงด้วยแล้วกอ็อาศัยความจริงนั่นแหละมาเป็นเครื่องฝึกอบรมเรานะเพื่อให้มีสติแล้วก็รู้จักเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ยึดมั่นถือมัน่นจนเอาตัวเข้าไปผูกพันแบบกระดิกก็เดียไม่ได้สันน่มันรู้จักความดีนะสันนิรู้จักความดีเผช่นความเอือเฟื้อเผื่อแผ่ความเสสละลิงบางตัวคงจะหลายตัวทีเดียวนะมันมันยอมมันยอมไม่กินอาหารไม่ยอมไปกินกล้วย เพื่อช่วยเพื่อนพอาะถ้ามันไปหยิบกล้วยขึ้นมาเนี่ยเพื่อนจะถูกไฟช็อตนะลิงมันก็รู้นะอยู่ในกรงเนี่ยพอไปไปหยิบกล้วยขึ้นมานี่ไฟช็อตเพื่อนเลยพอมันรู้มันก็ไม่หยิบกล้วยเลยนะบางตัวไม่หยิบไม่ใช่แค่วันสองวันไม่หยิบเป็นอาทิตย์ก็บียอมหิวเพื่อพอสงสารเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนถูกไฟช็อตอันนี้ก็เรื่อความดีนะ สัตว์นี้รู้จักความดีแต่บางทีสัตว์ก็อาจจะไม่ไม่รู้จักความจริงเท่าไหร่มนุษย์เรานี่รู้ทั้งสองอย่างคื อ, คอรู้ว่าความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำความจริงเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะถ้าทำแต่ความดีแต่ไม่รู้ความจริงให้ถีท่ทวนนี้ก็ทุกเหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อให้เราทำทั้งความดีด้วยแล้วก็รู้ความจริงด้วยโอวาทปฏติโมที่ว่า ทำความดีเราเป็นความชั่วทำจิตให้บริสุทธ์ก็คืออันนี้แหละ